ปทมาพิคุสูตรว่าด้วยพิกขุสูตรที่หนึ่ง991ครั้งนั้นพิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญทำอันเป็นเอกที่พิกษุเจเริญทำให้มากแล้วทำให้ทาสี่ประการบริบูรณ ทำสประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายทําอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ทำสประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้ทำเจ็ประการบริบูรณ์ทำเจประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกคืออนาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้โพชนชงเจ็ประการบริบูรณ์โพชนชงเจ็ประการที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์อนาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีภิกษุทั้งหลาย พดชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตบริบูรณ์ปฐมภิกคุสูตรที่หจบ